เกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรหัวข้อรูปงามใครก็ตามที่สามารถอ่านหนังสือหรือฟังเสียงอ่านได้เหมือนในขณะนี้แปลว่าต้องเคยทำทานและรักษาศีลเพียงพอจะก่อให้เกิดกายและจิตสำนึกแบบมนุษย์แต่ไม่ได้ประกันว่าทานและศีล น, นั้น เลิอดขณาดตกแต่งให้รูปงามมนุษย์เราพร้อมที่จะริษยารูปร่างหน้าตาของคนอื่นที่ดีกว่าโดยไม่รู้ตัวว่าแท้จริงแล้วกำลังริษยากรรมเก่าที่เลิอดเลอของเขาอยู่นั่นเองพุทธพจน์จิตมีความปลาบลื่มในการให้ทานที่ไหนก็ตามกับบุคคลใดก็ตามก็ควรให้ทานในที่นั้นกับบุคคลนั้น ข้อความจากอิสสัตถสูตรผลของการให้ทานด้วยศรัทธาคือเป็นผู้มีรูปงามชวนพิดหน้าเลื่อมใสและผิวพรรณงามยิ่งในที่ที่ทานนั้นลผลเกิข้อความจากสัปปุริสูตรมหาบุรุษมีพระเนตรดำสนิทและแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด นี่คือวิบากจากการเป็นผู้ไม่ถลึงตาดูไม่ขอนตาดูไม่ชำเลืองตาดูใครๆด้วยอำนาจความโกรธเป็นผู้ตรงมีใจตรงเป็นปกติแลดูใครๆตรงๆด้วยดวงตาทอแววรักใครเมตตายิ่งไปกว่านั้นมหาบุรุษยังมีพระเศียร ง, งามบริบูรณ์ดุดกรอบรับพักเป็นเครื่องประดับ ก็ด้วยเพราะวิบากจากการเป็นผู้นำของมหาชนในกิจอันเป็นกุศลเป็นประธานของมหาชนด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตทั้งในการบำเพ็ญทานในการตั้งใจรักษาศีลห้าและศีลแปกับทั้งในความเป็นผู้ปฏิบัติดีต่อมารดาและบิดาในความเป็นผู้ปฏิบัติดีต่อสมณนะในความปฏิบัติดีต่อพราหมณ์ ในความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลรวมทั้งเป็นผู้นำในกิจอันเป็นมหากุศลอื่นๆข้อความจากลักขณะสูตรจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามหากมักโกรธอัดแน่นด้วยความเคืองแค้นถูกเข้าวว่าเล็กน้อยก็ขัดใจผูกใจเจ็บมีความอาฆาตมาด ร, ร้ายแสดงความกระฟัดกระเฟียดง่ายเช่นนี้ หากได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะมีผิวพันธ์ซามข้อความจากจุลกรรมวิพังข้าสูตรระหว่างทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจบาปที่ทำด้วยใจมีโทษหนักสุดเพราะความจงใจอันเป็นบาปนั้นมีใจเป็นแดนเกิดหาใช่มีกายและวาจาเป็นแดนเกิดนอกจากนั้นสมณะผู้มีฤทธ อาจเผาเมืองเป็นเท่าฐานด้วยอำนาจจิตดวงเดียวในพริบตาไม่ต้องอาศัยมือบุรุษเป็นสิบเป็นร้อยด้วยข้อเท็จจริงเพียงเท่านี้ก็พึงกล่าวแล้วว่ากรรมทางใจมีโทษมากกว่ากรรมทางกายและกรรมทางวาจาข้อความจากอุปาลิวาัทาสูตรคำโปรยคนที่ไม่มีความอิจฉา จะอยู่เย็นและนับถือตัวเองได้อย่างน่าอิจฉาเป็นที่สุดมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์ความมีรูปงามและความขี้เร่เป็นพลังครอบงำที่ยิ่งใหญ่ดึงเอาทั้งชีวิตของมนุษย์ให้หลงจมอยู่กับเงาตนเองในกระจกและหลงมองออกนอกตัวด้วยความติดใจวิภาควิจาร์รูปร่างหน้าตาคนอื่น แค่หัวข่าวดาราดังดูน่าเกลียดหน่อยก็อาจเป็นเรื่องซุบซิบไม่รู้จบได้ทำไมต้องมามัววิพากวิจารณ์สิ่งที่ปั้นแต่งกันตอนเกิดไม่ได้จะมองกันที่คุณค่าหรือแข่งกันที่ความสามารถหน่อยไม่ได้เหรอความจริงก็คือขี้ปากของคนช่างวิจารณ์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่วิบากกรรมเอาไวท้ทิมตาเจ้าของกรรม พวกเราถูกคนรอบข้างกระตุ้นเตือนให้ได้รู้สึกผิดหรือภูมิใจกับกรรมเก่าแต่หหนหลังซึ่งต่างก็หลงลืมกันไปหมดแล้วว่าทำอะไรมารู้แต่ว่ารูปโฉมมโนมพันธ์ที่ปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้มีอำนาจดึงดูดเสียงติฉินนินทารับหลังหรือไม่ก็กระตุ้นเสียงชื่นชมต่อหน้าและไม่ใช่แค่วันสองวันแต่มีชีวิตอยู่กี่วันก็โดนแค่นั้น รูปโฉมยังมีอิทธิพลทางใจอื่นๆลองสังเกตเถอะชายที่มีรูปศีรษะใหญ่ได้รูปสวยจะน่าเชื่อถือว่าเป็นผู้นำได้ซึ่งพุทธพ์ก็เผยแล้วว่าเป็นเพราะเคยเป็นผู้นำบุญมามากนั่นเองเรื่องของความงามเป็นสิ่งหนึ่งที่อ้างได้เต็มปากว่าไม่ใช่เรื่องขององค์ประกอบทางกายอย่างเดียวคุณคงเคยได้ยินคำว่า ความประพติงามหรือเป็นผู้มีปัญญาอันงามซึ่งมาจากความรู้สึกสัมผัสความงามของใครสักคนได้อาจจะเพียงผ่านการโต้อตอบอีเมลหรือพูดคุยโทรศัพท์โดยไม่เคยพบหน้าค่าตาเลยสักครั้งทั้งหมดล้วนเป็นร่องรอยชี้ให้เห็นว่ามูลเหตุของความงามหาใช่ผลงานของความบังเอิญไม่ ความบังเอิญไม่อาจออกแบบความงามหรือความน่าเกลียดใจที่งามและใจที่น่าเกลียดต่างหากที่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดใจที่น่าเกลียดคืออย่างไรคือใจที่เหนียวเหนอะด้วยความตรณีถอดเป็นคำไทยคือขี้เหนียวนอกจากนั้นใจที่มืดดำด้วยความเห็นแก่ตัวถอดเป็นคำไทยคือใจดำ ซึ่งต่างก็ตกแต่งจิตให้หน้าเกลียดได้ไม่แพ้กันสรุปแล้วความหน้ารังเกยียจของจิตนั่นแหละคือต้นเหตุแห่งกายที่น่ารังเกยียจความงดงามของจิตนั่นแหละต้นเหตุแห่งกายที่งดงามหลักง่ายง่ายคือถ้าเกิดกิเลสแล้วตามใจกิเลสบ่อยๆจะเป็นเหตุให้ใจสามลงส่งผลให้มีรูปสามได้เดี๋ยวนั้นเช่น ใบหน้าหมองคล้ำราศีหม่นมืดลงแต่ถ้าเกิดกิเลสแล้วรู้จักระ ง, งับไม่ทำอะไรประเจิดประเจิดจะเป็นเหตุให้ใจสวยขึ้นส่งผลให้รูปสวยได้เดี๋ยวนั้นเช่นใบหน้ากระจ่างราศีสดใสขึ้นถ้าสังเกตอยู่อย่างนี้ก็คงไม่กังขา ว, ว่าถ้าชาติหน้ามีใจสวยหรือใจสาม จะมีบทบาทตกแต่งรูปร่างหน้ามากน้อยเพียงใดกรรมในการให้ทานจุดประสงค์ของการให้ทานในทางพุทธศาสนาก็เพื่อมุ่งทำลายความตรณีที่เหนียวเป็นหลักเมื่อความตรณีที่เหนียวหายไปใจดีๆก็มาเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายาม แจกแจงความงามตามระดับการให้ได้ดังนี้ 1. นัพยาทานความตรหนีเป็นยางเหนียวที่ทำให้จิตเหนืดหนะักทึบตันหาความปลอดโปร่งไม่ได้คล้ายฟองเหนียวตะปุ่มตะป่าเกาะจิตอยู่ยุบยับเป็นความอึดอัดแก่เจ้าตัวเองและคนอยู่ใกล้กิริยาที่แสดงความงกหรือหวงแหนแม้ส่วนเกิน คนลำบากตากหน้ามาขอก็ไม่ให้ไม่คิดเผื่อแผ่ไม่เอาใครเลยล้วนส่งคลื่นความรู้สึกน่าเกลียดออกมาทั้งสิ้นตอนเกิดมาเป็นทารกแอบบอกธรรมชาติบังคับให้ทุกคนเรียกร้องเอาเข้าตัวแล้วก็หวงแหนสมบัติส่วนตนฉะนั้นการให้ทานจึงเป็นเรื่องต้องฝึกจะให้เกิดเองไม่ได้ แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์การฝึกใดหาง่ายกว่าข้าวของที่เป็นส่วนเกินส่วนที่ไม่ทำให้เราเดือดร้อนแต่อาจช่วยแบ่งเบาให้คนอื่นเดือดร้อนน้อยลงได้เมื่อค่อยๆฝึกให้ของให้ซับส่วนเกินแบ่งปันของดีให้คนอื่นใช้ยางเหนียวก็เริ่มละลายกลายเป็นความปลอดโปรง่งหน้าอึดอัดน้อยลงจนรู้สึกได้ด้วยตนเองกระทั่งเมื่อฝึกถึงขั้น ที่ให้ทานด้วยความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาก็จะมีรัศมีสว่างสวยใายออกมาจากใจสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสการให้ด้วยความศรัท ธ, ธาคือเต็มใจให้ใจจึงเป็นกุศลเต็มกำลังจะเป็นความปลื้มใจที่ได้อนุเคราะห์ผู้อื่นหรือจะเพราะเลื่อมใสศรัท ธ, ธาในผู้รับเช่นพระสงฆ์ผู้ทรงศีลก็ตาม กำลังศรัทธาที่เต็มเปี่ยมจะเป็นปัจจัยให้เกิดผลมากทั้งสิ้นเมื่อคิดให้ทานด้วยจิตที่ผ่องแผ้วสวยใสยที่สุดย่อมเป็นเหตุบันดาลรูปร่างหน้าตาที่สวยชวนพิษที่สุดเช่นกันเกณฑ์ง่ายๆที่ตัดสินได้ว่าใจของคุณมีศรัทธาขณะให้ทานคือเมื่อนึกถึงบุญขณะต่างๆทั้งก่อนทาขณะทำและหลังทำ และนึกอยากยิ้มสดชื่นออกมาจากข้างในเป็นยิ้มอันบันดาลขึ้นจากความปลื้มเปรมความอิ่มเอมที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขแลกเปลี่ยนแต่ถ้าทำทานและฝืนยิ้มไปแกนแกนใจไม่เป็นสุขนั้นไม่นับว่าถึงความเลื่อมใสในทานเพราะแสดงให้เห็นว่าใจยังแห้งแล้งอยู่ หากให้ทานด้วยจิตใจคับแคบเช่นแก่งแย่งชิงดีเอาหน้าเอาเด่นหรือให้ทานแบบกีดกันไม่ยอมร่วมให้ทานกับใครไม่ยอมถวายสังฆทานพร้อมกันกับคนแปลกหน้าที่เขามาพร้อมเราดึงดันจะแยกเป็นตังหากให้พระต้องสวดสองทีแบบเนี้ยกรรมจะตกแต่งให้ชาติหน้าต่อไปหน้าตาออกรสเค็ม หรือเห็นแล้วไม่สบายใจซื้อมากกว่าจะน่าเลื่อมใสตามอาการทางจิตนั่นเองวิธีง่ายๆเพื่อสร้างศรัทธาในการให้คือให้เพราะอยากให้ถวายเพราะอยากถวายและอยากเลือกหน้าอย่าสร้างเงื่อนไขว่าอย่าเป็นสัตว์ต้องเป็นคนต้องเป็นพระขอเพียงของที่ให้ทานเป็นสิ่งที่คุณได้มาโดยชอบรมไม่เดือดร้อนใคร กับทั้งมีน้ำจิตคิดอยากให้ใจก็เบิกบานเป็นปีติได้แล้วยิ่งสั่งสมบ่อยเท่าไรใจในการให้ยิ่งสวยขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณให้ทานครบวงจรในที่สุดผลของทานจะนำคุณเลื่อนขั้นทางจิตและคุณจะมีสิทธิ์ให้ทานกับผู้ควรแก่การรับสูงชั้นขึ้นไปเรื่อยๆเองความเลื่อมใสศรัทธาจะเกิดขึ้นสูงสุด เมื่อทั้งผู้ให้และผู้รับมีความบริสุทธิ์หมดจดคือศีลสะอาดความประพฤติสะอาดวัตถุที่ใช้ในการให้ทานสะอาดและความตั้งใจขณะถวายทานสะอาดกล่าวโดยย่นย่อที่สุดยิ่งความตรณีน้อยลงเท่าไรคุณจะยิ่งเห็นใจตัวเองน่ากเกลียดน้อยลงเท่านั้นและยิ่งความเลื่อมใสในทานปรากฏชัดขึ้นเพียงใด ใครๆจะยิ่งบอกว่าหน้าตาคุณมีรัสมีชวนชมชัดขึ้นเป็นเงาตามตัวโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ชาติหน้า 2. อภัยทานความพยาบาทเป็นไฟร้อนที่เผาผลาญใจตัวเองเมื่อเผาใจตัวเองสำเร็จก็อาจเผาโลกต่อได้ต่อเมื่อสามารถทำลายความตรณีคนเราจึงมีแก่ใจทำลายความพยาบาท หรืออาการหวงความโกรธได้เช่นกันเพราะเป็นสภาพของจิตที่ทิ้งความอึดอัดใจเหมือนๆกันผู้ที่คิดอภัยได้เรื่อยๆแม้จะยังไม่ถึงขั้นละความโกรธได้อย่างพระอระหันต์อย่างน้อยก็จะไม่เป็นคนมักโกรธไม่แสดงกิริยาวาจากระฟัดกระเฟียดง่ายๆเพียงเท่านี้ก็ประกันแล้วว่าชีวิตที่เหลือจะไม่ก่อเหตุให้ชาติหน้า ต้องเป็นคนผิวพันสามหน้าตาหาเรื่องการจะอภัยให้เป็นควรฝึกทำไปตามลำดับคือมีแก่ใจอยากให้อภัยเพราะเห็นโทษของความผูกพยาบาทและโมะโหง่ายดังกล่าวแล้วเมื่อโกรธจนอยากลงไม้ลงมือมากให้ห้ามมือห้ามไม้แม้ใจจะต้องอึดอัดแค่ไหน เมื่อโกรธ จ, จนอยากด่ามากให้ปิดปากแม้ใจจะยังคิดถึงคำด่าไม่เลิกเมื่อโกรธแบบร้อนในอกมากให้รู้สึกถึงความเร่าร้อนและเห็นว่าร้อนมากเดี๋ยวก็เย็นลงได้เมื่อโกรธแบบอัดอั้นมากให้รู้สึกถึงความหนักที่ใจและเห็นว่าหนักมากได้เดี๋ยวก็เบาลงเองได้ เมื่อโกรธแบบหงุดหงิดเล็กน้อยให้รู้สึกถึงสภาพฟุ้งๆยุ่งๆถ้ารู้สึกได้แต่แรกจะเห็นมันจางลงทันทีหากฝึกจนเห็นผลตามลำดับกำจัดเหตุแห่งความน่าเกลียดได้ภาวะน่ารักน่าใครก็เกิดขึ้นเองคุณไม่ต้องเชื่อเรื่องชาติหน้าเอาแค่เห็นกับตาในชาตินี้ก็เปรียบเทียบกันได้ชัดๆอยู่แล้ว คนหน้าตาดีมาแต่เกิดลองเป็นพวกโกรธง่ายหายช้าดูสักพักน่าจะดูหักหักง้มง้ผิวจะคล้ำเกรียมตาจะขุนขวางส่วนคนหน้าตาจืดชืดลองเป็นพวกโกรธยากหายเร็วเสมอเสมอแค่ไม่กี่วันจะดูดีมีราศีจับตาเห็นแล้วเย็นเห็นแล้วสบายใจหรือกระทั่งหน้าเรื่อมใสนั่นเพราะจิตที่สงบเยือกเย็น ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายง่ายๆจะทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าผ่อนคลายดูดีที่สุดเท่าที่โครงหน้าจะอํำหนวยทั้งนี้ต้องหมายเหตุไว้ด้วยว่าฝืนยิ้มแกล้งไม่โกรธกับฝึกละความโกรธไปตามลำดับขั้นจะให้ผลเป็นคนละเรื่องยิ่งแกล้งเท่าไรใจยิ่งเก็บกดเหมือนอยากระเบิดเท่านั้นแต่ถ้าฝึกห้ามกายและดูใจเป็น ใจจะยิ่งเบาเป็นคนมีความสุขแบบไม่มีแรงกดดันแอบแฝงอยู่เลย 3. ธรรมทานเมื่อมีน้ำใจบริจาคของส่วนเกินกับทั้งมีความเมตตากรุณาพอจะให้อภัยคุณจะมองเห็นว่าคนในโลกอีกมากนักที่ยังหลงตรณีหลงอาคาตพยาบาทกันให้ทุกใจเปล่า โดยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยที่ตรงนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนตนเองมีน้าอยู่ในใจสามารถช่วยดับไฟในอกคนอื่นได้ทุกอย่างต้องเริ่มด้วยของจริงในคุณเองคือมีน้ำใจอยากดับไฟให้คนอื่นไม่ใช่ตั้งต้นด้วยความอยากสั่งสอนแบบยกตนคมแต่เป็นการค่อยคอยพูดค่อยๆให้แนวทางด้วยใจเมตตาปรารถนาให้คนฟังได้คิด ได้ฉุกใจคนจะรู้สึกถึงความจริงใจได้จากผลลัพธ์กับตนเองคือยิ่งพูดตัวเองจะยิ่งเย็นพูดได้เต็มปากเต็มคําไม่ต้องดัดไม่เสแสร้งสร้างภาพนักปลอบตรงข้ามกับการอยากสอนแบบยกตนขมยิ่งพูดอัตตาจะยิ่งหนักในหัวจะยิ่งฟุ้งแรงขึ้นทุกทีอยากอดเก่งกล้าสามารถขึ้นทุกวัน หากสามารถช่วยให้ใครจุกคิดให้เขาอยากสละความตระนีอยากละวางความพยาบาทนั้นจัดเข้าข่ายเป็นธรรมทานถ้าธรรมทานนั้นประกอบด้วยกิริยาอันงามด้วยน้ำใสใจจริงก็เรียกว่าแสดงธรรมได้งามถือเป็นกรรมตกแต่งจิตให้งามขั้นสูงสุดผู้แสดงธรรมได้งามมีผลให้เกิดขึ้นกับกายใจทังตาในชาตินี้ คือจะมีความงามเด่นกระแสะใจเยือกเย็นผ่องใสดึงใจคนเห็นให้ชื่นชมด้วยความพิศวงบางคนแม้หน้าตาไม่งามแต่กระแสะจากธรรมะงามเกินตัวก็ดึงดูดสายตาไม่ต่างจากคนสวยคนหล่อได้อย่างน่าทึ่งกรรมในการรักษาศีลความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งสกปรกเน่าเหม็น พิสูจน์ได้ด้วยความรู้สึกยิ่งคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่าไรพอเข้าใกล้แล้วจะรู้สึกขยะกขยงอยากออกห่างเพราะคล้ายจะเหม็นอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นศีลจะมีส่วนช่วยปรุงแต่งหน้าตาให้ดูดีจริงๆต่อเมื่อสะอาดหมดจดในข้อหนหนึ่งความรู้สึกภายในของคุณเป็นอย่างไรคนก็จะมองเห็นคุณแล้วเกิดความรู้สึกเช่นนั้นตามไปด้วย เช่น 1. อยากปกป้องชีวิตสัตว์ทําให้หน้าตาใจดีเห็นแล้วสงบเย็นดูปลอดภัย 2. ไม่เพ่งเล็งอยากได้ทําให้หน้าตาน่าไว้ใจเห็นแล้วน่าเชื่อถือ 3. ซื่อสัตย์กับคู่ครองทําให้หน้าตาชวนอบอุ่นใจเห็นแล้วนึกอยากเป็นคู่ด้วยสี่ ไม่คิดปั้นคำลวงทำให้หน้าตาใสาซื่อเห็นแล้วนึกเอ็นดูหาไม่เกลือกล้วสิ่งเสพติดมึนเมาทำให้หน้าตาดูปกติเห็นแล้วไม่ชวนระแวงแบบคนบ้าโลกเรามีเรื่องยั่วยุให้ผิดศีลได้ทุกวันเราจึงมีโอกาสฝึกตั้งใจและรักษาศีลได้ทุกวันจนชำนาญเช่นกัน พอฝึกจนชำนาญแล้วความเห็นแก่ตัวน้อยลงแล้วความสกปรกเน่าเหม็นทางจิตจะหายไปกลายเป็นหอมสะอาดในที่สุดแม้หน้าตาเหมือนเดิมแต่จิตใจสะอาดขึ้นก็ดูดีกว่าเดิมได้หากถือศีลได้สะอาดบริสุทธิ์ตลอดชีวิตกระทั่งแม้ใจก็ไม่กระดิกไปคิดอยากละเมื่อศีลตามแรงยั่วยุชาติใหม่ จะมีรูปร่างหน้าตาสมส่วนหมดจดมองจากมุมไหนก็ดูดีไปหมดแบบที่เรียกกันว่างามไร้ที่ตินั่นเองคำโปรยทิ้งท้ายสำหรับคนชั่วสิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายคือสิ่งที่ทำไว้ก่อนตายกรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวแล้วว่าความมีรูปงามยืนพื้นอยู่บนความมีใจงามกรรมใดๆก็ตามที่ปรุงแต่งใจให้งามได้กรรมเหล่านั้นก็มีส่วนส่งเสริมให้รูปงามขึ้นเสมอเช่นหนึ่งกรรมที่ทำด้วยศรัทธาทำกรรมใดๆก็ตามหากยืนอยู่บนศรัทธาย่อมมีส่วนปรุงแต่งรูปให้งามน่าเลื่อมใสเหนือธรรมดาได้ ศรัทธาในที่นี้หมายถึงความเลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงของทุกศกาสนาที่ให้การสนับสนุนมนุษยธรรมและมโนธรรมเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความสว่างเป็นมงคลเป็นกุศ ล, ลธรรมยิ่งเอาจิตไปผูกไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเท่าไหร่จิตก็ยิ่งสว่างเป็นมหากุศลมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างของกรรมที่ประกอบด้วยศรัท ธ, ธาเช่นสวดมนต์หน้าพระปฏิมาด้วยใจเคารพเลื่อมใสหรือมีความปรารถนาจะสร้างถาวรวัตถุอัญชวนส ก, การะบูชาหากออกมาจากใจจริงๆไม่ได้แกล้งฝืนก็ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้รูปงามได้หมด 2. กรรมจากการใช้สายตา การใช้ใสายตามีอยู่สองอาการใหญ่ๆคือมองดูให้เห็นกับมองอย่างแฝงเจตนาเป็นกุศลหรืออกุศลตัวอย่างของกรรมจากการใช้ใสายตาในทางกุศลเช่นมองผู้คนด้วยใจเป็นมิตรมองพระปฏิมาด้วยใจเคารพ บ, บูชามองบุคคลผู้ทรงศีลด้วยใจ น, บนอบน้อมกรรมเหล่านี้ล้วนตกแต่งให้ในตาในชาติปัจจุบันอ่อนโยน ทว่ามีประกายแรงชวนศพกับทั้งจะตกแต่งให้ในตาในชาติถัดไปงามซึ้งเหมือนมีมนสะกดให้หลงไหลตัวอย่างของกรรมจากการใช้สายตาในทางอากุศลเช่นมองผู้คนด้วยความอยากสะกดให้กลัวมองคนที่เกลียดด้วยความกร้าวมองคนต่ำกว่าด้วยสายตายามมินมองผู้ใหญ่ หรือผู้ทรงศีลด้วยความกระด้างกระเดืองกรรมเหล่านี้จะตกแต่งให้ประกายตาในชาติปัจจุบันไม่น่าศพสพแล้วระคายความรู้สึกและจะตกแต่งในตาในชาติถัดไปให้ชวนเมินหรือกระทั่งมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นตาส่อนตาเขขึ้นอยู่กับน้ำหนักกรรมทางตาที่ก่อไว้ 3. กรรมจากการใช้เสียงการใช้เสียงมีอยู่สองอาการใหญ่ๆคือเปล่งเสียงให้คนอื่นได้ยินเพื่อรับรู้ความหมายกับเปล่งเสียงให้ตนเองหรือผู้อื่นเกิดความรู้สึกทางใจเป็นกุศลหรืออกุศลตัวอย่างของกรรมจากการเปล่งเสียงในทางกุศลเช่นเลือกพูดคำที่เป็นจริง เลือกพูดคำที่สมานสามคัคคีเลือกพูดคำที่สุภาพรื่นหูเลือกพูดคำที่ชวนให้เกิดสติสวดมนต์ด้วยเจตนาถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาร้องเพลงสรรเสริญผู้ทรงคุณบริจาคเสียงอ่านหนังสือดีๆเพื่อคนตาบอดอธิบายธรรมะด้วยเจตนาให้เป็นที่เข้าใจง่ายกรรมเหล่านี้จะตกแต่งซุ้มเสียงให้นุ่มใสขึ้นในปัจจุบัน และจะตกแต่งแก้วเสียงในชาติถัดไปให้เพาะพริงชวนฟังราวกับเครื่องดนตรีเด่นตัวอย่างของกรรมจากการเปล่งเสียงในทางอากุศลเช่นจงใจพูดเท็จจงใจยุยงให้เกิดความแตกแยกจงใจใช้วาจาหยาบคายระบายอารมณ์ปล่อยใจพูดเลื่อนลอยเพอ้อเจอ้อหรืออาศัยเสียงของตนประทุษร้ายผู้อื่นในทางใดทางหนึ่งกรรมเหล่านี้จะตกแต่งซุ้มเสียง ให้ระคายโสดในปัจจุบันและจะตกแต่งแก้วเสียงในชาติถัดไปให้แหบแห้งหรือแหลมแสบแก้วหูฟังแล้วทรมานสี 4. กรรมทางความคิดกรรมทางกายและกรรมทางวาจานั้นจัดเป็นสิ่งเปิดเผยเมื่อปรากฏแล้วสามารถจับต้องได้บันทึกได้ หรือเก็บไว้ในความทรงจำของคนอื่นได้ ต, ต่างจากรกรรมทางความคิดที่เหมือนสิ่งลึกลับจะรู้แน่ว่ามีหรือไม่มีก็ต้องให้เจ้าของความคิดเป็นคนแฉเองสำนวนปากร้ายใจดีปากหวานก้นเปรี้ยวหน้าซื่อใจคดหรือหน้าเนื้อใจเสือเกิดขึ้นได้ก็เพราะมนุษย์เรามีกรรมทางความคิดซ่อนเร้นไว้ในหัวได้ จะให้เปิดเผยหรือปิดบังต่อไปก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเจ้าตัวแต่กรรมทางใจเป็นไปตามความคิดคนเราคิดอย่างไรก็คู่ควรกับภาวะอย่างนั้นกรรมทางความคิดอาจถูกปกปิดไปทั้งชาติแต่จะถูกเปิดโปงล่อนจ้อนที่รูปร่างหน้าตาในชาติถัดไปหากคุณสงสัยว่าเหตุใดบางคนสวยจัด หรือหน้าตาหล่อเหลาบาดใจแต่เตี้ยมอตอบ้างแขนขาไม่น่าดูบ้างก็ขอให้ทราบว่านั่นเป็นตัวอย่างของกรรมทางกายกับวาจาภายนอกที่ดูดีแต่กรรมทางใจอันเป็นภายในนั้นขัดแย้งกันเพื่อเข้าใจให้ชัดต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานอย่างนี้คือกรรมที่ปรุงแต่งรูปร่างหน้าตาคนทั่วไป มักเป็นกรรมที่ทําประจําจนคุ้นเป็นนิสัยไม่ใช่กรรมชนิดนานๆนน ท, ทําทีจึงสมควรกล่าวว่ากรรมที่ทาเป็นอาจินนั่นเองที่เป็นหน้าเป็นตาทั้งในความหมายของชื่อเสียงในปัจจุบันและในความหมายของเนื้อตัวในอนาคตในแง่ของกรรมตกแต่งรูปร่างหน้าตานั้นศีลเป็นตัวกาหนดสาคัญว่าสัสดส่วน หรือรูปทรงจะดูพอเหมาะพอเจาะไร้ที่ติหรือเต็มไปด้วยที่ติดตามจุดต่างๆหากคุณมีศีลสัตว์บริสุทธิ์สะอาดอย่างแท้จริงก็จะรู้สึกออกมาจากภายในว่าจิตใจของคุณมีความเที่ยงตรงไม่บิดเบี้ยวความรู้สึกแบบนั้นแหละที่ตกแต่งรูปร่างหน้าตาออกมาได้สัดส่วนเหมาะเจาะแต่หากรักษาศีลสาเร็จ และเที่ยวไปกลางอวดเบ่งทับถมคนอื่นอ้างว่าตนดีตนวิเศษคนอื่นต่ำต้อยกว่าอันนี้ก็อาจปรุงแต่งให้ขาสั้นด้วยเหตุเพราะใจถือเอาศีลเป็นเครื่องยกตนข่มท่านเป็นต้นสรุปคือขอให้ดูว่าการทำบุญแต่ละอย่างของคุณมีความคิดชนิดใดอยู่เบื้องหลังกุศลหรืออกุศลเบียดเบียนหรือเกื้อกูล หลงตัวหรือเปลืองตนก็พอพยากรณ์รูปร่างหน้าตาในอนาคตว่าจะหมดจดหรือขัดขาดเกินเกินนอกจากนั้นความคิดอันเป็นเรื่องลับที่เกี่ยวข้องกับของลับอยู่ด้วยเช่นเดียวกับที่บางคนชอบทําบุญสร้างภาพแล้วก็เป็นภาพที่ดูดีในระยะยาวแต่ใจจริงคิดอยากเอาหน้าหรือแสวงประโยชน์แอบแฝงมองทะลุเข้าไปจะเห็นว่าเน่าใน ไม่ใช่สุกใสเหมือนเปลือกนอกอย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่ชาติถัดมาจะหน้าตาดีแต่พอคู่ครองพบความจริงทั้งหมดในห้องส่วนตัวก็อาจผิดหวังอย่างแรงเพราะหน้าตาที่เปิดเผยกับของลับที่ปิดบังไปด้วยกันแทบไม่ได้หญิงที่หน้าตากับเนื้อตัววิจิตสมกันตลอดร่างมักเป็นพวกที่สะอาดพร้อมทั้งกายวาจาและใจ ทำทานแบบหาโทษไม่ได้รักษาศีลแบบหาที่ติไม่ได้แม้คิดอยากในทางที่ผิดก็เห็นความไม่เที่ยงของความคิดเห็นตามจริงว่าความคิดผิดผิดมาเองไปเองบังคับไม่ได้ไม่ควรแล่นตามและไม่หมกมุ่นทรมานใจไปกับมันเช่นนี้เองรูปกายภายนอกกับภายใต้ร่มผ้าจึงบาดตาบาดใจกลมกลืนกันสนิท ไม่ล้ําเหลื่อมแปลกปลอมจากกันส่วนชายที่หน้าตากับเนื้อตัวสมชายเป็นพวกที่อาจหานกล้าเป็นผู้นําในทางดีเอากําลังแรงเข้าโถมเพื่อให้งานบุญลุล่วงโดยไม่เห็นแกเน็ตเหนื่อยที่สําคัญต้องมีศีลมีสัตย์พูดคําไหนทําคํานั้นกล้าทํากล้ารับฮึกเหิมในการเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกคิดตรงไปตรงมา ไม่พูดบิดเบือนความจริงจะเสริมให้รูปร่างหน้าตาดูดีสมชายได้กว่าคนอื่น 5. กรรมลักที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตนแม้คนรูปงามก็งามต่างกันแต่ละคนมีความงามในแบบของตนลองจำแนกความงามที่เห็นแล้วรู้สึกสะดุดตาสักหกประเภทเป็นตัวอย่างดูอันดับแรก งามแบบสง่าเกิดจากกรรมในการให้ทานสมณะผู้ละกามด้วยความเคารพลึกซึ้งจะจัดถวายทานใดก็นิยมพิธีรีตองที่งดงามโดยมีเจตนาให้เกียรติผู้รับส่วนในแง่ศิลธรรมนั้นเวลาจะทำผิดอะไรก็เห็นแก่หน้าพ่อแม่และวงตรกูลไม่ทำตามอำเภอใจเพียงเพราะเห็นแ ก, ก่กิเลสตน และถ้าเคยถือศีลแปดหรือออกบวชก็เป็นพวกที่มีความสง่างามในการละกามละพยาบาทละความเสื่องซึมละความฟุ้งซ่านและละความสงสัยมีความมั่นคงในการคลองกายคลองใจให้ปลอดโปร่งอย่างคงเส้นคงวาแบบที่ 2. ง, งามแบบอ่อนหวานเกิดจากกรรมในการพูดจาอ่อนโยนใช้ถ้อยคำหวานหู โดยมีจตนาให้คนฟังรู้สึกดีเวลาให้ทานจะทำด้วยความนุ่มนวลด้วยความสุภาพแบบที่สามงามแบบฉูดฉาดจัดจ้านเกิดจักรกรรมในการประกอบงานบุญงานกุศลด้วยจิตคิดออกหน้าออกตาชอบทําให้คนเห็นเยอะๆเป็นจุดเด่นเป็นความสนใจซึ่งแง่ดีคือเป็นแรงบันดาลใจให้คนเห็นอยากเอาตาม แต่แง่เสียคือเป็นที่หมั่นไส้ได้และจิตของคนชอบเป็นจุดเด่นในงานบุญนั้นมักพ่วงเอาความโลภเข้าไปเจืออยู่ในบุญพร้อมจะแปรจากบุญเป็นบาปได้ทันทีที่มีการแข่งแย่งชิงดีทางหน้าตากันฉะนั้นอย่าสงสัยหากคนสวยแบบฉูดฉาดมักมีคนอยากเป็นคู่แข่งแบบที่4งานแบบเร้าความรู้สึกทางเพศ เกิดจักรกรรมในการประกอบงานบุญงานกุศลด้วยความหวังผลทางรูปร่างหน้าตาเช่นหญิงปรารถนาความสะสวยชายอธิษฐานขอให้หล่อเหมือนพระเอกขอให้ล่อตาล่อใจคนได้มากๆผลของการอธิษฐานจะไม่ปรากฏแค่ที่กายแต่จะมีกระแสความเรียกร้องทางเพศจากจิตและความคิดส่วนลึกประกอบอยู่ด้วยงานบุญต่าง มักมีหนุ่มสาวประเภทนี้ปะปนอยู่มากแค่เข้ามามีบทบาทในงานบุญด้วยความตั้งใจจะเป็นคนเด่นดึงดูดความสนใจใครต่อใครในเชิงปฏิพัทธ์ก็นับว่าเข้าข่ายแล้วแบบที่หงามแบบแปลกประหลาดเกิดจากกรรมอันขัดแย้งกันเช่นเข้าวัดทำบุญจริงแต่ก็แต่งตัวยวนยั่วไปด้วยหรืออยากให้ทานจริง แต่ของที่ให้มีความสกรปรกหรือให้ทานแบบไม่อยากขัดใจญาติหรือพูดแดกดันให้ผู้รับเสียกำลังใจอีกทีคือยอมรักษาศีลไม่ประพฤติผิดทางกามกับใครแต่ก็ชอบไปยั่วย้าให้เขามาอยากมีเพศสัมพันธ์แบบผิดผิดกับตนความคิดซ่อนแฝงที่ขัดแยง้งกันกับพฤติกรรมทำนองนี้แหละที่ทาให้สวยหล่อแบบ แ, บบแปลก แบบที่สมัยนี้เรียกกันว่าสวยไม่เสร็จหรือหล่อแบบหน้ากังขาคือเหมือนยังปั้นไม่ครบหรือครบแต่เวาแหวงบางส่วนเหมือนหายหายไปไม่เต็มบริบูรณ์ความงามไม่ได้มีแค่ห้าประเภทเท่านี้ที่ยกมาพอสังเขตก็เพื่อให้เข้าใจชัดว่าต้นต่อของกรรมทั้งหลายมาจากมโนกรรมหรือกรรมทางใจเป็นหลัก และกรรมเก่าก็ไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกับกรรมใหม่บางคนสวยหล่อสมบูรณ์แบบสะท้อนให้เห็นว่าของเก่าดีทุกอย่างแต่กรรมใหม่คิดลามกศ ก, กปรกคิดคตรทรยศได้ไม่เลือกหน้าอย่างนี้เมื่อการคุ้มครองจากกรรมเก่าหมดลงกรรมใหม่ก็ฉายให้ดูผ่านหน้าตาแย่ๆตั้งแต่เข้าวัยกลางคนนั่นเอง